อิเมโขปนายะสมันโตติงสานิสกิยาปาจิตยาธรรมาอุทเทสังอาคัชนเตเนติตเจิวรัสสมิงภิกขุณาอุปัตตสมิงกติเนทัสสะประมังอติเรกจิวรังทารีตพังตังอติกามายโตนิสกิยังปาจิตติยังเนติตะเจิวรัสมิงภิกขุณาอุปัตตสมิงกติเนเอเอกรรตมบิเจภิกขุติเจวเรนะวิปวัตสอิยะ อัญญตาภิกขุสมัติญานิสขิยังปาจิตติยังนิติตาจิวรสมิงภิกขุนาอุพัตสมิงกัทินเฮภิกขุโนปเนวะอากาศจิวรังอุปัชไหยะอากังขมาเนนาภิกขุนาปฏิกะเหตัพหังปฏิกเหตาวะกิพเมวะกเรตัพหังโนจะสสภาริภุริมาสสภระมันเตนาภิกขุนา ตัณจีวรังนิคิตตพังอุนัสปาริภุรยิยสัตยาปัจจาศายตตโตเจอุตริงนิกิปะะยาสตตยปิปัจจาศายนิสักียงปาจิตตียงโยปะนภิกุอัญญาติกายาภิกุนียปุราณาจีวรังโทวาปิยาวารชาปิยวาอาโกตาปิยวานิสักียงปาจิตียง โยปณภญิคุอัญญาติกายปิกุนิยหัตถโตจีวรังปฏิคันให้ยอัญยาตระปาริวัตการิสักยังปาจิติยังโยปณภิกุอัญญาตกังขหะปติงวะขะหะปตานิงวันจีวรังปิญญาปยัอัญญาตระสมยานิสักยังปาจิติยังตถาอย่างสมโยอจินนาจีวรวาโหติปิคุณนทะจีวรวะอยังตถาสมโยโ ตัณเจอัญญตะโกกหปติวะกหปตานิวังภูหิวรหิอภิหัตุมปวารยะสนตระปรมันเตนะภิกขุนาตโตจีวังสาติตพังตโตเจอุตติงสติยะนิสักยังปะจิตยังภิกุปเนวะอุทิศอัญญตะกัสสะกหะปติสวะกหะปตานิยาวัวระเจตานัง p ah uh ar k k k k a k h a t a n g อมินาจีวราเจตาปเนนะจีวรังเจตาเปตวานอิทัณนามังปิคุงจีวเระนะอัชาเทสามิติตัตตะเจโสปิคุปุเพอปวาริโตอุปสังกมิตวาจีวรเรวกิกปังอาปัจชัยยะสะทัฏวะตมังอายสมะอิมินาจีวราเจตาปเนนะเอวารุปังวาเอวารุปังวาจีวรังเจตาเปตวะอัชาเทเฮติ กัลยาณ์นักเมยตังอุปาทายะนิสักยังปาจิจิยังพิกุงปเนวะอุทิสะอุินนังอัญญาตะกนังขหะปตีนังวาขหปตานีิังวะปเจกชิวระเจตาปนาอุปคตตาหุ่ติอิเมหิเมียงปัจเจกชิวระเจตาปเนหิปัเจกะจิวรานิเจตาเปิตวันอิทัณนังปิกุงจิวเรหิอัจชาเทสามอาติ ตัทะเจโซเปคุปเะอปวาริโตุปสังกมิตวะจีวเรวิกะปังอปัฉไยสาทุวะตมังอายะสมันโตอิเมหิปัเจกจีวระเจตาปเนหิเอวารุปังวาเอวารุปังวะจีวรังเจตเปตวังอาชาเทธาอภูวสันตาเอกนาติเกลยานะกเมยตังอุปาทายะนิสักยังปะจิตยัง พิกุลงปเนวะโอเทศราชาวาราชโอโควาพระมณนวาขะปฏิโกวะโทตเตนาจิวรเจตาปนังพะหิไนยาอิมินาจิวรเจตาปเณนาจิวรงังเจตาเปตวะอิทัณนามังพิกุลงจิวรเณนาอาชาทเชทหิติโสเจโทโตตังพิกุงอุปสังกมิตวาเอวังวายยาัฏไหยะ ปีทางโคพันเตอายสัมมันตังอุติสะจีวรัเจตาปนังอาภตังปฏิคันห้าตุอายสัมมาจีวรัเจตาปนันติเตน่าภิกุณาโสทูโตเอวะมะสวัจเนโยนาโคมะยังอวสโสจีวรัเจตาปนังปฏิคันห้ามาจีวรันยาโคมะยังปฏิคันห้ามากาเลนะกัปยันติโสเจทูโตตังภิกขุงเอวังวัดเฮีย อติปนาญสมันโตโกจิวายาวาจัจการโอตีจีวรติเกณภิกเวผิกุณ า, าวายาวัจการโรตีจิอารามิโกวอุณผิกวเอวาอโโควผิกุณาวายาวัจกรโรตีโซเจทูโตตังวายาวาจัจการังสัญญาเปตวาตังผิกคงอุปสังกามิตวาเอวังวัฏไหยายังโคพันเตอาญสมะวายาวาจัจการังนิทิเส สัญญโตโสมยอุปสรงค ม, มาโตอายสัมกาเลนาจีวเรนาตังอาชาเทศตีตตจีวระติเกนาภิกเวภิกุณาวิ ย, ยาวั จ, จกรโออุปสรรคมิตวาทเวติขตตงโจเทตโพสาเรตาโพอัโทมเอุสโซจีวเรนาตีเทติขตตงโจอทะมาโนซาระย า, าโนตังจีวรังอภินิพาไหยะ อิเจตังกุสลังโนเจอภินิพธใหยะจะตุกขตุงบัญจขตุงฉกขตุประมังตุนหฮภูเตนะอุติสะทาตตพังจะตุขตุงบัญจขตุงฉกขตุประมังตุนหฮภูโตุนอุติสะติทัตมาโนตังจีวรังอภินิพธใหยะอิเจตังกุสลังโนเจอภินิพธใหยะต่โตเจอุตตังวายยามมาโนตังจีวรังอภินิพาธใหยยา เนสขี่ยังปาจิตยังโนเจอภินิพธัยยายาตาสัญจิวระเจตาปนังอาภาตังตัฏฐะสามังวาคันตพังทูโต ว, วาปาแหตัพโอยังข้อตุมแหอายสัมมันโตนปิกุงอุติสัญจิวระเจตาปนังเปหินิธานาตันตัสสาภิขโนกินจิอัตถังอนุโธติ โยชนตาเยสมันโตสกังมาโวสกังวินัสสติอยังตัตตาสมาจีจีวรวะโคปัตโทนโยปนนาปิกโกสิยัมิสกังสันทตังการาปยันิสขิยังปะจิติยังโยปนนาปิกโกสุทธกาลกาณังเอละกโลมานังสันทัตังการาปยันิสขิยังปะจิติยังนวัมปนนาปิกุณาสันทัตังการายะมาเนเอนา ทเวภาคาสุตตกาละกาณังเอลกะโลมานังอาทาตพานตติยังโอทาตานังจะตุทั้งโคจริยานังอนนาทาเจภิกขเทวภาเคสุตตกาละกานังเอลกะโลมานังตติยังโอทาตานังจะตุทั้งโคจริยานังนวังสันตังการาปยนิสักิยังปาจิติยังนวัมปนาภิกุนาสันตังการาเปตัง ชาพัสสะเนทาริตะภังโอเรนเจชนนางวัสสานางตังสันตังวิสาเชตวาวาอวิสาเชตวาวาอันยังนวังสันตังการาภัยยะอันยตระภิกุสมมติยานิสักิยังปาจิติยังนิสธนาสันตตามปะนาภิกุนาการยะมาเนเนางปุรานสันตตาสัสสัมันตาโสขตะวิทัติอาธาตภัง ทุพันนักรณายาอนาถเจพิโกปุราณสันถตตัสสัมมันตางสุขตาวิทัตถินวังเนสธนสันทัตังการาปยาเนสขิยังปะจิตยังภิกุโนปเนวะอัานามคปติปนัสสะเอลกโลมันิอุปัชยยงอากังขมาเนนภิกุนาปติกะเหตภาพนิปฏิกะเหตวัติโยชนะภะรมังสหัทธาหาเรตภาพนิ อาสันเตหะรเกตโตเจอุตเรงหาไรยะอสันเตปิหระรเกรรนิกนสขิยังปาจิตติยังโยปะนนภิกุอญญาติกายภิกุนียาเอลกโลมานิทวะปิยาวาราชปิยาวาิวชตาปิยาวนิสขิยังปาจิตติยังโยปะนนภิกุชาต า, า, า, า, ต า, าตรูปราชาตังโอขันใหยวะอุคันห้าปิยาวา โอปันเนกิตังวาสาทียยะนิสักยังปจิติยังยอโปันนาเนาณปการังรูปียสังโหวรังสมภาพชายะนิสักยังปะจิติยังยอโปันนาเนาณปการังกยวิกยังสมาพชยะนิสัยังปะจิติยังโกสียวะโคทุติยนทัศหาปรมังอติเรกปัตโตทาเรตภล ตังอติกามายโตนิสกิยังปาจิติยังโยปัปนภปิคุโอนาปัญจพันธ์เอนาปเตนะอันยังนวังปัตตังเจตาปยะนิสกิยังปาจิติยังเตนะปิคุณาโสปัโตปิขุปาริสัยนิสกิจิตพโหยโยจะตสัปิคุปาริสายปัตตปริยนโตโสจัตตสัปิคุโนปทาตพโห อาันเตภิกุปตโตยาวะเพทนายะทาเรตพโหติอายังตัทธสามอีจีญานิเขปนาตานิขิลานานังปิขูนางปฏิสยัยญาิญานิเพสัชฌานิสัยทีทางสเปนวะนีตังเทลังมัตุภานีตังตานิปฏิกะเหตวะสัตถะประมังสั น, นิทิการะกังบริพุนจิตาภานีตังอติกามยโตนิสัิยังปะจิตติยัง มาโซเซโซคิมหานันติภิกขุนาวสิกัสติกะจิวรังปริเยสีตพังอธรรมาโซเซโซคิมหานันติกตวาเนวัสเซตพังอเรณเจมาโซเซโซคิมหานันติวสิกัสติกะจวรังปริเยเซียอเรณธรรมโซเซโ o คิมหานันตกตวาเนวัสเซียนิสกิยังปะจิติยัง โยปนะเบโกเปโกสะสะมังเจวรังทัตาวาโกปิโอตอนัตตมโนอัิฉริยวะอัจฉริยะปิยวานิสักยิงปาจิติยังโยปนะเกโกสะมังสุตังวิญญาเปตวาตันตวาเยหิเจวรังวายาปิยานิสักยิงปาจิติยังพิกขุปเนวะอทิสะอัญญาตะโก ข้าติวาตาวตันตวายเจหิจวรังวายปะตตระเจโสกุปภะอปวาริตตนตันตวายอุปสังขมิตวะจิววิกังอปชยยอิังหัวเาโสจีวรังมังอุิสวิยติอยตันจักโรธาวิตตัตันจักอิตัจสวิตัจสุปวจิตันจัสวิเลกิตัจสวิตัจิตัจกโรธ อเปวนามะมัยมปอายะสมันตานังกินจมัตตังอนุปัฏชยามาติเอวันจัสภิกขุวตวากินจมัตตังอนุปัฏชายาอันตมัสมินาปะตมตตมปนิสักยังปาจิตยังทสสหานะคะตังกติกะเตมาสิปุณณะมังภิกขุโนปเนวะอาเจกะจวรังอุปชัยยาอเจกังมัญญามานนาภิกุณาปติเกเหตภัง ปติกะเหตวายาวัจิวรากัลสเมียงนิกิปิถังตโตเจอุตรินิกิปยานิสักยังปาจิตติยังอุปวสังคปนกติกาปุนมังยานิขปนตานิอารัญญการนิเสนาสนานิสาสังกสมตานิสัพติภยญานิตถาโรเปสุภิกุเสนาสนิสวิหารนโท อัการขมานนตินังจีวรานังอันยตะังจีวรังอันตรคเรเนกิเียฯสิยจัตตาสภิกโนโกจิเทวะปเจโยเตนะีวเรณวิปปวาสัยชารัตภรมันเตนะภิกุนาเตนะจีวเรณวิปวาสิตพังตตโตเจอุตริงวิปวาสัยยะอยตราภิกุสมติยานิสักยังปะจิตยัง โอปนาปโกชา낭สังคคังลาภัง pari na tang ั t a n o pari nama y a น n i sakhiyang pa citti y a ต g patawako t a t y ิ n uti thako ayasamanto tingsanisakhiya pa cittya t า a m a tataya samante pu cha me kacitta parisuddha to tiyam pi pu cha me k a c i ร t a p a r i s u d ย h a t ม t i y a m pi pu cha me ธ a c i t t a p a r i ปริสุทธิธายะสมันโตตัสมาตุนเนหีเอวะฒเมตังธารายะเมณิสักิยาปาจิติยาธรรมานิทิตา